สิกขาบทที่สภิกษุณีผู้ออกปากขอสิ่งของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอสิ่งของอย่างอื่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ขอเสร็จแล้วต้องนิสักเียปาจิตตี